มีพุทธภาสิทธ์บทหนึ่งนะสั้นๆจําง่ายแล้วก็มีความสําคัญมากเลยนะนั่นคือผู้ให้ความสุขยอมได้รับความสุขพุทธภาสิทธนี้เนี่ยนะมันเป็นอมะตะเลยนะเป็นสัจธรรมที่ให้ผลได้ไม่จํากัดการนะเรียกเป็นอากาลิโกเลยให้ความสุขนี่ก็หมายถึงว่าเอื้อเฟือ้อเกื้อกูล หรือว่ามีน้ำใจช่วยเหลือไม่ว่าด้วยเงินด้วยสิ่งของนะเช่นการบริจาคหรือว่าการให้ข้าวให้น้ำรวมทั้งการเป็นจิตอาสาด้วยคือก็คือช่วยด้วยแรงกายหรือแม้กระทั่งช่วยด้วยคาพูดให้กาลังใจอันนี้ก็เรียกว่า เป็นวิธีการให้ความสุขนะแก่ผู้อื่นและเมื่อให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะความสุขมันก็ย้อนกลับมานะที่ผู้ให้มันไม่ใช่แค่ความสุขใจนะแต่ว่ารวมถึงความสุขกายด้วยแลเมื่อเร็วๆนี้เขาก็มีการทดลองนะ ว่าคนเราเนี่ยถ้าว่ามีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแล้วมันมีผลดีอย่างไรบ้างนะ้วก็พบว่ามันก็มีผลดีต่อสุขภาพทั้งใจและกายนะอย่างเขามีการทดลองเนี่ยให้คนสองกลุ่มนะ ทั้งสงกลุ่มนี้ก็ได้เงินก้อนหนึ่งนะสีเหรียญ น, นะอันนี้ประเทศอเมริกาก็ประมาณพันกว่าบาท ก, กลุ่มแรกก็บอกว่าเนี่ยเอาเงิน40เหรียญเนี่ยไปทำอะไรก็ได้นะที่อ่าเป็นประโยชน์กับตัวเองกินเที่ยวหรือซื้อของก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยเอาเงินนี้ไปช่วยเหลือผู้อื่นนะ จะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่สี่ิเลี้ยนี่ก็ไม่เยอะนะแต่ว่ามันก็มีความหมายและทั้งสองกลุ่มเนี่ยนะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนะก็คือมีความดันโลหิตสูงผ่านไปหกอาทิตยก์ก็ตามผลนะว่าสุขภาพเป็นอย่างไรโดยเฉพาะความดันโลหิตบอกว่ากลุ่มที่ ได้รับมอหมเอาสี่สิบเหรียญเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นนะความดันลดลงนะความดันลดลงก็แปลว่าสุขภาพดีขึ้นแต่ที่กลุ่มหนึ่งเนี่ยเอาเงินสี่สิบเหรียญเนี่ยไปใช้ส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านความดันโลหิตเลยแล้วก็มีการทดลองนะของอีกที่หนึ่ง แล้วก็พบว่าคนที่มีความเอื้อเฟื้อเนี่ยนะความเจ็บปวดจะลดลงเขาทดลองยังไงน ะ, ะเขาก็ทดลองโดยการเอาคนเนี่ยที่บริจาคเงินให้กับเด็กกาพร้าเนี่ยมาโดนไฟช็อตนะเอาไฟฟ้าจี่นะ มันก็มีคนอาสานะให้ไฟฟ้าช็อตเนี่ยก็พบว่าคนที่บริจาคเงินให้กับเด็กกำพร้านี่นะเ้าจะรู้สึกปวดน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อช่วยเหลือคนอื่นและแม้กระทั่งว่าเพียงแค่คิดหรือตั้งใจว่าจะช่วยเหลือเด็กกมพร้าเนี่ยก็จะรู้สึกปวดน้อยกว่าเวลาโดนไฟฟ้าช็อตเนะมื่อเทียบกวับคนที่ ไม่ได้ตั้งใจจะทําอะไรเลยนั่นทำไมเป็นอย่างนั้นนะก็พบว่าเนี่ยเวลาคนเราเนี่ยอยากจะช่วยใครหรือว่าได้ลงมือช่วยใครไปแล้วเนี่ยไม่ว่าด้วยเงินด้วยสิ่งของนะหรือด้วยแรงกายเนี่ยมันมีผลต่อสมองนะมีผลต่อสมองเช่นสมองอาจจะหลั่งสารบางอย่างออกมาเรียกสารสื่อประสาท เจนโดพามีนเซโรโทนินพวกนี้เป็นสารแห่งความสุขและมันช่วยบรรเทาความปวดได้คนเราเวลาโดนไฟชอ็อตหรือว่าโดนของแหลมทิ่มหรือว่ามีความเจ็บปวดเพราะว่าร่างกายไม่สบายเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณความปวดเนี่ยส่งไปที่สมอง แล้วพอถึงสมองเนี่ยสมองก็จะบอกเราว่าปวดคือเกิดความรู้สึกปวดขึ้นมาแต่ถ้าสัญญานั้นถูกบล็อกนะระหว่างทางเนี่ยไปไม่ถึงสมองเราก็จะไม่รู้สึกปวดเท่าไหร่หรือไม่รู้สึกปวดเลยสารสื่อประสาทพวกนี้นะมันที่หลังมาจากสมองเนี่ยมันช่วยบล็อกสัญญาณความปวดทาให้ไม่รู้สึกปวดหรือปวดน้อย กว่าเดิมและการที่สมองหลังสามพุเทเมาเนี่ยมันก็เป็นผลมาจากการาทำสิ่งที่มีประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนอกจากความดันเลือดเนี่ยมันจะกลับมาเป็นปกติแล้วก็รู้สึกปวดน้อยลงแล้วเนี่ยเรื่องพบว่าคนที่เป็นจิตอาสานะช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยความเครียดจะลดลง ความซึมเศร้าเนี่ยจะบรรเทาลงนะอันนี้ก็เป็นผลมาจากสมองเหมือนกันนะอันนี้เขาอธิบายอย่างงั้นแต่ถ้าจะมอย ง, ง่ายหนึ่งคือเป็นเรื่องของใจด้วยคนที่เป็นเป็นจิตอาสาได้ทำอะไรที่ช่วยเหลือผู้อื่นเห็นผู้อื่นก็มีความสุขจิตใจก็พลอยมีความสุขไปด้วยไอ้จิตใจที่พลอยมีความสุขเนี่ยมันก็ทาให Uh, เกิดความเปลี่ยนแปลงนะในร่างกายไม่มีการทดลองนะอีกที่หนึ่งนะแบ่งเป็นคนแบ่งคนเป็นสามกลุ่มนะกลุ่มแรกนี้ก็ให้ไปทำสิ่งที่มีประโยชน์กลุ่มที่สองให้ทำอะไรที่มันเป็นของแปลกของใหม่กลุ่มที่สามไม่ทำอะไรเลยแล้วก็พบว่าเนี่ยสองกลุ่มแรกเนี่ย เมื่อัดระดับของความสุขเนี่ยหรือเมื่อให้คะแนนความสุขเนี่ยไม่มีความสุขกว่ากลุ่มที่สมนะกลุ่มที่สามที่ไม่ทําอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าการทําอะไรที่มันแปลกใหม่นะที่มันท้าทายหรือว่าน่าสนใจนั้นกาสุปแล้วเนี่ยนะการทําความดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยไม่ว่าโดยวิธีใดก็แล้วแต่เนี่ย มันไม่ใช่ทำให้คุณมีความสุขอย่างเยอะนะคนทําก็มีความสุขด้วยสุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขกายเนี่ยนะบางทีเนี่ยมันมีความหมายเนี่ยพอๆกับการออกกำลังกายหรือว่าการกินอาหารสุขภาพเลยทีเดียวอย่างที่ก็พบว่าคนที่เอาเงินสี่สิบเหรียญเนี่ยไปช่วยผู้อื่นเนี่ย และจากความดันสูงแล้วความดันมันลดลงเนี่ยนะค่าของมันเนี่ยพอๆกับคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือว่ากินอาหารสุขภาพเที่จริงเนี่ยประโยชน์ต่อสุขภาพนะทั้งกายและใจเนี่ยคงจะมีมากกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเฉพา ะ, ะผลของการทดลองนะที่เขามีการทำกัน ไอ้ที่ยังไม่ได้ทดลองนี่ก็คงจะมีอีกเยอะนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเรานึกถึงการทำความดีเนี่ยให้เราตระหนักว่านี่มันไม่ใช่แค่ดีต่อใจอย่างเดียวมันดีต่อกายด้วยแต่ข้อขวคัญก็คือว่าเวลาทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันจะเราควรจะนึกถึงประโยชน์ของผู้รับนะเป็นสำคัญอย่าเพิ่งไปนึกว่าเราจะได้อะไรจากสิ่งนั้น ที่เมื่อวานนี้พูดถึงแม่ค้าที่เขาขายอาหารแล้วก็เขาช่วยเหลือนักศึกษาที่อยากจนไม่มีข้าวกินอันนี้เนี่ยเป็นการทำบุญที่เรียกว่าทำด้วยใจแท้เพราะว่าไม่ได้คาดหวังอะไรเลยไม่ได้คาดหวังอะไรจากนักศึกษา บางทีมันเป็นการทำบุญที่บริสุทธิ์ยิ่งกว่าการมาทำบุญที่วัดนะเพราะมังการหลายคนมาทำบุญที่วัดเนี่ยอยากได้ผลตอบแทนนะอยากถูกหวยอยากถูกรัตเตอรี่อยากมีโชคมีลาบอันนี้มันยังเป็นการทำบุญที่หวังผลประโยชน์เข้าตัวแต่ถ้าเป็นการทาบุญที่แท้นี่นะมันเป็นการทำดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแท้ๆเลยคือมุ่งประโยชน์ของผู้รับหรือของผู้อื่นเป็นสาคัญ นะไม่ได้หวังอะไรที่จะเข้าตัวเลยถ้าเราตั้งจิตแบบนี้เนี่ยนะมันก็แปลงนะพอเราไม่หวังจะให้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยแต่การทำความดีนั้นเนี่ยมันกลับส่งผลดีนะกับตัวเราทั้งกายและใจและทาความดีนันก็ไม่ได้ยากอะไรนะอาจจะพาคนแก่ข้ามถน น, นหรือว่ า, าลุกให้ที่นั่งนะกับเด็ก หรือหญิงชาราหรือว่าแม้กทังการชมการให้กำลังใจด้วยคำพูดที่วราปิญาวาจาเนี่ยอันนี้มันก็เป็นความดีที่ให้ความสุขทั้งกับผู้อื่นแล้วก็ตัวเราด้วย ท, ทั้งที่ทำโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่กลับได้ผลตอบแทนกลับคืนมาเต็มๆ เ, เลยนะเพราะว่าความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่น